แต่ถึงยังไงเขาก็เป็นผู้หญิงที่เก่งกล้าสามารถเกินตัวมากล่ะขอโทษนะถ้าฉันจะพูดคุยอะไรถึงส่วนตัวคุณบ้างอ๋อยินดีครับไม่รังเกียจเลยครับนี่เห็นครั้งแรกฉันคิดว่าน้อยเป็นคู่รักกับคุณซะอีกหล่อนอย่างจ้องเขาตาไม่กระพริบชายันหัวเราะกว้างๆเบิดจุกระติกบรันดีขึ้นอืมดื่มแก้หนาวออแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะก็ยังไม่แน่ใจอยู่ดี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 แล้วก็คืนนี้ถึงก็รบกวนคุณเหลือเกินขอบคุณอีกครั้งนะสำหรับน้ำใจอันแสนดีชายันลุกขึ้นยืนตามเดิอนอ้อมกองไฟมาที่หล่อนแตะแขนกล่าวชวนเรากลับไปน้องกระเทเมคุณควรจะพักผ่อนให้มากพรุ่งนี้จะได้หายดีไงแล้วเขาก็นำหล่อนกลับไปยังที่นอนต่างคนต่างเข้าประจำที่มาเรียเอ็นตัวลงนอนเบียดชิดกระดาริน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 เสียงกระซิบดังมาจากความมืดข้างๆตัวหฮึคุณหนาวไหมคุณละ่ะฉันรู้สึกว่าจะเอาเปรียบคุณมากนะเพราะเขามานอนในตำแหน่งที่คุณเคยนอนมันเป็นไดหรอกน้อยนอนเบียดพี่ชายของเขาแล้วฉันก็เบียดเขาอยู่ทีหนึง่งเราได้ไอตัวของกันและกันแทนไปไฟผิงนั่นน่ะเป็นวิธีแก้หนาวที่ถูกต้องแล้ว แต่มีคุณอยู่คนเดียวที่ทำผิดวิธีเราจะเอาธรรมเนียมประเพณีของสุภาพบุรุษในเมืองมาใช้ในป่าเลยค่ะชัยยันยกเว้นแต่ว่าคุณจะรังเกียจฉันตรงข้ามผมเกรมว่าคุณจะรังเกียดผมจะมากกว่าสิแทนคำพูดต่อไปใดๆทั้งสิน้นฝ่ามืออันอุ่นของมาเรียจับมาที่ต้นแขนของเขาแล้วรังชุดให้ชยันนอนแนบชิดเข้ามาจนกระทั่งไหล และลำขาสัมผัสกันหลอนแบ่งผ้าผุยส่วนที่เหลือสะบัดคลุมให้เขาแล้วนอนขยับตัวไปมาเหมือนจะหาตำแหน่งที่ถนัดที่สุดรู้สึกว่าคุณจะทำขาไหนบางอย่างนะนอนทับตอไม้เล็กหรือก้อนหินเขาละมะเขาถามไม่ใช่ตอไม้หรือก้อนหินหรอกค่ะหลอนพึมพำพลางมือควานอยู่ในแถบเอวของเขา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 แต่สิ่งที่ทําให้ทุกคนต้องใจหายก็คือลูกปืนเพาปรากฏว่าในจํานวนกระสุนทั้งหมดที่นําติดมาด้วยนั้นมันร่อยรอไปถึงเกือบครึ่งค้อทาเอาหีบกระสุนที่เป็นสัมภาระหนักกว่าอย่างอื่นใดเบาขึ้นโ ง, ง่งอวงเราใช้กระสุนทั้งหมดในการทําศึอกสางเขียวมากไปเหลือเกินภายหลังจากการตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนชัยยันครางออกมาและทุกคนก็เพิ่งจะนึกขึ้นมาได้ในขณะนี้ ระยะที่เรายิงกันมากที่สุดก็คือตอนที่มันบุกเข้าโจมตีที่มั่นที่นี่แหละครับเฉลี่ยแล้วตะลักระบอกก็ยิงไปร่วมร้อยนัดห็นจะได้แต่ถึงเช่นนั้นเราก็เกือบจะต้านมันไม่อยู่ใช่นะครับทรานใหญ่ว่าเชดถ่ายเองก็ตะลึงไปเหมือนกันเป่าลมออกจากปากนี่เพื่อจะมารู้กันเอาเดี๋ยวนี้เองนะว่าเราหมดกระสุนจากคลังไปตั้งครึ่งค้อนนี่ถ้าเกิดสึกใจแบบนี้อีกครั้งเดียวกระสุนเราหมดแน่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 คือกระสุนลูกซองรองลงมาก็ขนาดจุดสทับศ6แล้วก็จุด 5, ซึ่งมีอยู่ชนิดละสองกระบอกส่วนจุดส0ศูนย์เวเทอร์บีแมกนัมของดารินและจุดหกศูนย์ศูนย์โตรรของชายันซึ่งไม่ซ้ำกับของใครและมีกระสุนกันมากระบอกละไม่เกินสองรอยนัดนั้นใช้ ย, ยิงไปน้อยที่สุดในขณะต่อสู้ทว่าเดี๋ยวนี้สารวจแล้วก็เหลือกันอยู่เพียงชนิดละไม่ถึงร้อย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 หัวหน้าคณะสั่งระพินกนชัยันช่วยกันรื้อกระสุนปืนออกมาและเรียกคณะทั้งหมดเข้ามาแจกจ่ายตามแต่และชนิดของปืนที่ถือประจำอยู่ก่อนที่จะแพ็คลงผูกมัดสำหรับการเดินทางชัยันเป็นคนหยิบลูกจุดสม็าแมกนัมส่งไปให้มาเรียสองกล่องแม่มสาวเปิดกล่องออกดูปรากฏว่ามันเป็นลูกขนาด300เกรนหัวซิลวอทิทั้ง2กล่องกูมีหัวแบบฟู l แ 300เกรนแล้วก็ซอปอ้อย270ดสเกรนบ้างไหมหล่อนถามเบาอาดีตนายทหารหนุ่มเลิกคิ้วเขาเปลี่ยนเป็นฟูลแพดสักกล่องหนึ่งแล้วก็ซอ ป, ปอยอีกสักกล่องเถอะชายันมองหน้าแล้วยิ้มนั่นน่ะเป็นการเลือกกระสุนในแบบของผู้ชำนาญไม่ใช่สักแต่ว่าเป็นกระสุนที่ใช้ยิงได้มารีจะต้องมีเหตุผลในการเลือ ก, กระสุนของหล่อน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 เขาบอกให้หล่อนเข้ามาเลือกเอาเองจากคลังกระสุนกลางตามความพอใจไม่กี่นาทีหลังจากนั้นมาเรียก็ลองลูกปืนนัดแรกของหล่อนด้วยการยิงกระรอกดงตัวขนาดแมวเขิงๆที่ไต่อยู่บนยอดกรบนยอดกลางสูงลิฟหัวขาดกระเด็นตกลงมาราวกับเอาไม้สอยทำกลางการเฝ้าดูอย่างตื่นใจของทุกคนดารินเองก็ยืนคอแข็งไปเหมือนกันวิธียิงของมาเรียประทับใจหล่อนมาก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 และนำลูกใหม่เข้ารังเพลิงในขณะที่ปืนยังประทับอยู่กระไหลนั่นเองซึ่งการกระทำอันแคล่วคล่องเชี่ยวชาญชนิดนี้แม้แต่เชษฐาหริชายันเองก็ยอมรั บ, บว่าไม่สามารถจะทำได้ถนัดเท่าหลดการหยิบฉวยจับปืนก็รัดกุมแนบเนียนไม่เก้งกล้างเกกกะแสดงถึงความเป็นเอตักคะในทางนี้อย่างเยี่ยมยอดสมกับที่เป็นเชื้อไขพราน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 ชั ย, ยันก็ร้องบอกมาเป็นภาษาไทยว่าโธ่ไม่เห็นจะต้องมีอะไรสงสัยเลยนี่ดูข้อลำแม่เจ้าประคุณซะบ้างสิยังกันนักกล้ามแข็งแรงออกอย่างนั้นน่ะทำไมถึงจะดึงลูกเลื่อนขณนะที่พานท้ายประทับไหลไม่ได้ช่วงแขนก็ยาวชับชวนออกจะตายไปฝรั่งกับคนไทยนะ่ะมันผิดกันอยู่แล้วมาเรียได้ยินแต่ฟังไม่รู้เรื่องทาหน้าตื่นหันมาถามดารินว่า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 จะทำให้รู้สึกหนักมากราชสกุลสาวเลิกคิ้วอย่างทึ่งๆรับไบเฟินของมาเรียมาทดลองกระทำตามที่เจ้าของปืนสอนชั ย, ยันก็บอกมาเบาๆว่าว่าแล้วหมอดารินมาเจอเอามือที่เหนือกว่าเขาให้จนได้รวยเสีด้วยนน้อยเมื่อคืนน่ะคุยกันมาแล้วคู่ปรับของเธอคนนี้นล่าสิงโตมาแล้วสามสิบสี่ตัวควายป่าแอฟริกันยี่สิบสามตัว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 แล้วมาเรียก็หันไปตะโกนสั่งสั่งปลาให้บุกพงเข้าไปเก็บกระรอกดงตัวนั้นอาจถูกตะกิงไม้ที่มันเกาะเพราะกิ่งขาดมันก็เลยพลอยตกลงมาด้วยกันก็ได้ดารินตอบอย่างสงวนเชิงสั่งปลาเดินบุกพงทำหน้าเซ่อกลับออกมาใครต่อใครหลายคนรองตะโกนถามไปถึงกระรอกตัวนั้นเจ้าพรานต่องซูโบกมืออันว่างเปลาา่าร้าแสดงว่าไม่ได้ตัว แล้วเดินเข้ามาจนใกล้หมดท่าเลยน้อยฟาวเปล่าถ้ายิงผิดไอ้ที่เห็นร่วงลงมาก็เพราะเธอยิงเกิ่งที่มันเกาะขาดไงชายันร้องลั่นออกมาอย่างผิดหวังดารินกัดตริมฝีปากกับพริบตาทีเร็วแล้วหันมายิ้มจิตจืดกาเรียเห็นไหมฉันบอกแล้วฉันยิงผิดจริงๆเลยเมเป็นไปนไม่ได้อ่ะ ก็ฉันเห็นอยู่นี่นาะว่ามันกระเด็นหลุดจากกิ่งที่มันเกาะขณะที่ถูกลูกปืนและกิ่งไม้ที่หักร่วงลงมาด้วยนั่นก็ไม่ใช่กิ่งที่มันเกาะอยู่แต่เป็นกิ่งที่อยู่สูงขึ้นไปทั้งยอดมาเรียพูดโดยเร็วอย่างสงสัยแล้วหันไปส่งภาษาพม่าเร็วปลือกับคนของหล่อนเจ้าหาดทหาาูทั่วแล้วเหรอสั่งปลาทั่วแล้วนายแมมสั่งปลาตอบหน้าตายแล้วไม่พบเลยเหรอ แทนคำตอบเจ้าตองสู่สันหัวละพินหัวเราะฮือฮแล้วพยักหน้าออกคำสั่งมาว่าในลองหันหลังสิสางปาสางตาหมุนตัวกลับหันหลังให้โดยดีแล้วทุกคนก็อุทานออกมาพร้อมกันเมื่อมองเห็นกะระอกโดงเหยื่อลูกปืนของดารินถูกผ้าขาวมากของสางปามัดติดไว้เบื้องหลังชิไอโฌดิ จะทำให้นายหญิงของกูขายหน้าซะแล้วสิไหมละ่ะบุญคําก็เอตโรลั่นออกมาโดยเข้าไปกระชากกระรอกดงตัวนั้นออกมาจากเอวของสางปลาแล้วถีบหัวกระมำไปท่ามกลางเสียงหัวเราะงอหายของทุกคนบุญคําโคลงหัวกระดิกนิ้วหิ้วกระรอกชูขึ้นดารินกามารียหัวเราะจนน้าตาไหลด้วยความขบขันทุกคนเข้าใจดีว่าเจ้าพรานต่องสู่ย้าวเล่นยังไม่มีเจตนาเป็นอื่น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 ทำโม้น้อยเสียหน้าเลยทีเดียวแล้วพินคุณรูได้ยังไงไว้เจ้าสังปากาลรอบผูกซ่อนมาข้างหลังอะ่ะผมก็นึกว่าน้อยยิงผิดจริงเหมือนกันนะเนี่ยอ้าวก็ตอนที่คุณหญิงยิงผมก็เห็นอยู่ว่ามันถูกแล้วก็เห็นหางโผล่มาจากทางด้านหลังของสังปามันแกล้งล่อคุณหญิงเล่นเอ้าสิอีกบาปเลยนายหญิงไอ้นี่นะลูกไม้จับนะักมันถือหางในแแมมของมันน่ะ บุญคำก็ถือหางนายหญิงของบุญคำเหมือนกันบุญคำหันไปถามดารินู้ยังกุมท้องหัวเราะอยู่กมารียนักมานุษยวิทยาสาวโบกมือร้องห้ามด้วยเร็วอย่าย า, ยาไม่เอาไม่เอ า, เ อ, าอย่าไปทำอะไรเขาถึงยิงผิดฉันก็ไม่เสียใจอะไรหรอกมันไม่ใช่ปืนของฉันน่ะตัลองยิงไปยังงั้นเองก็ไม่นึกเหมือนกันว่าจะฟลุกไปถูกเขาเออแล้วมันถูกตรงไหนไห น, ไหนดูซิบุญค ำ, ญคำการขอพอดีในยิง เหลือหนังติดห้อยร่องแรงอยู่นิดเดียวตัวของนายแหม่มตะกี้นะ่ะผ่าแรล่งหัวหายไปเสีบนหนึ่งของนายหญิงน่ะเฉือนคอมันดีแท้ได้มาสองตัวคำนี้บุญคำจะแกงป่าให้กินรับรองอร่อยเสด็กและตาะพรานเท่าก็หิ้วกระรอกดงสองตัวนั้นไปจัดการโยนเข้าเผาในกองไฟให้ขนไหมแล้วขูดหนังขาวอลองชองก่อนที่จะผ่าทองเอาเครื่องในออก